ไม่มีใครมีความเห็นเป็นอย่างอื่นแตกแยกออกไปจากคำพูดของหมอมราชวงเชาอ่ะถ้าทุกคนเห็นด้วยตามที่ฉันว่ามา น, นี่เราก็เอากันอย่างนี้อดีตท่านทูตทหารบกสรุปโดยเร็วเอาเป็นว่าทางด้านเราสี่คนนี่จะใช้เวลาพรุ่งนี้ทั้งวันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วอย่างช้าในวันมารืน จะถึงสถานีกักสัตว์ของคุณำพลส่วนตัวคุณำพลน่ะต่อไปนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะขอความร่วมมือจากคุณละ่ะครับผมคุณชายใหญ่ผมพร้อมครับเอาเป็นว่าประเดี๋ยวตกลงกันเสร็จคุณรีบเดินทางจากกรุงเทพกลับสถานที่ของคุณเลยนอนไปในรถก็ได้เพราะคุณมีคนขับมาด้วยก็คงไปถึงที่นั่นตอนสายๆพรุ่งนี้พอไปถึงคุณก็จัดเตรียมพวกลูกหา รอเราไว้พร้อมเลยเราไม่ต้องการคนจากที่อื่นแต่ต้องการคนในหนองน้ำแห้งที่เป็นลูกบ้านของระพินนั่นแหละก็คงไม่ต้องบอกนะว่าคุณจะต้องคัดเอาคนที่มีสมรรถภาพขนาดไหนครับผมทราบครับจำนวนสิบคนเท่ากับที่ระพินเอาไปสัมภาระฝ่ายเราก็จะมีจำนวนไม่มากนะักเพราะไม่มีของฟุ่มเฟือยเกตกาอะไรทั้งสิน้น นอกจากเครื่องยางชีพจําเป็นอย่างเดียวเท่านั้นกับเครื่องกระสุนแล้วก็อาวุธเราต้องการเดินให้เร็วที่สุดเพื่อ ก, กวดตามเขาให้ทันแล้วก็เรื่องนี้ต้องขอร้องคุณอําพลให้เก็บรักษาไว้เป็นความลับที่สุดอย่าให้ทางฝ่ายสื่อบราชการลับของเราเองทราบไปนั้นข่าวว่ามีอีกคณะหนึ่งตามหลังกระพินไปแล้วก็หมายถึงท่านพลโท ว, วิชัยนั่นแหละคุณรับปากได้ไหม เอาหัวเป็นประกันครับนายอัมพลรับปากหนักแน่อ่ะมีปัญหาอะไรอีกไหมถ้าไม่มีเราก็จะปิดประชุมและทุกคนก็จะเดินทางกลับตัวคุณก็เดินทางกลับได้เลยจะได้เตรียมอะไรต่อมีอะไรไว้พร้อมตามสั่งก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วลครับเพียงแต่ว่า เรื่องพินัยกรรมของคุณพินแล้วครับอ๋อเรื่องนั้นเอางี้ครับกปแฟหนึ่งเก็บไว้ที่คุณตามเดิมเหมือนอย่างเช่นที่เจ้าตัวเขาประสมส่วนกปี้ที่ส่งมอบมาให้ผมเก็บน่ะผมจะไปฝากเก็บไว้ในเซ็ธนาคารภายใต้การดูแลรับรู้ของผู้จัดการผลประโยชน์ของผมและทางฝ่ายผมก็ต้องทำพินัยกรรมเหมือนกันเพราะไปกันหมดทั้งสามคนพี่น้อง ไอ้นี่นะมันเป็นเรื่องทางด้านผมเองคุณไม่ต้องห่วงครับครับผมแล้วเรื่องสัมภาระข้าวของนะครับทางคุณชายจะจะให้ผมจับการให้หรือว่าจะจับไปจับทางนี้ครับเอาเป็นว่าอาวุธเครื่องกระสุนของใช้ส่วนตัวของพวกเราเนี่ยเราจะเตรียมไปจากทางด้านนี้เลยแต่สเสบียงกับอุปกรณ์อื่ น, นๆคุณจัดเตรียมให้ด้วยแล้วเราจะคัดเลือกกันอีกทีหนึ่ง ว่าจะมีอะไรบ้างและจะให้น้ำหนักมันสักเท่าไหร่เอกสารอันเป็นหลักฐานทั้งหมดที่คุณเอามาด้วยในแฟ้มนี่เราขอไว้คุณเอากลับคืนไปเฉพาะสำเนาพินัยกรรมฉบับที่รับพินให้คุณยึดไว้ก็แล้วกันถ้าเช่นนั้นนายอําพลยืนขึ้นภายหลังจากเอาซองพินัยกรรมฉบับหนึ่งใส่ลงในกระเป๋าเอกสารส่วนตัว ผมคิดว่าผมควรจะเดินทางกลับเดี๋ยวนี้เลยนะครับไปเช้าที่โนนแล้วก็เริ่มลงมือเลยอ่าดีมากดีมากรีบไปเถอะคุณอำพลเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกหาบสิบคนที่เราจะเอาไปด้วยนะขอให้คุณเป็นฝ่ายจัดหาปืนและกระสุนผมต้องการให้ทุกคนใช้ลูกซองขนาดหนึ่งสองระบบกึง่งอัตโนมัติทุกคนคุณจับหาให้ด้วยนะทั้งสิบกระบอกกระสุนกระบอกละห้าสิบนัด ทั้งแบบยิงสัตว์ปีกและสัตว์สี่เท้าแล้วก็เชษฐาวาราริตลุกขึ้นยืนจูงมือนายอำพลผลักหางกลุ่มออกมาทางด้านหนึ่งกระสิบกระสุนของเอ็มจุดเจ็เก้าทางด้านโน้นคุณพอจะหาได้บ้างไหมผมไม่แน่ใจว่าผมจะหาได้ทันคุณชายต้องการสักเท่าไหร่ลครับ ก็ไม่มากนักหรอกเอาสักสามสิบนัด ก, ก็พอเอาชนิดจะเก็ดระเบิดสังหารอย่างเดียวก็ได้ครับครับครับผมพ้าหาได้ครับอาวุธสงครามทุกชนิดผมคิดว่าคุณชายไม่ควรจะเอาไปจากกรุงเทพให้เสียเวลานะครับไปเอาจากผมที่นู่นดีกว่ายกเว้นพวกไรเฟิลล่าสัตว์ประจํามือของแต่ละคนนะครับเชิฐายิ้มบีบแขนคนเต่าแก่ของเข้าแน่นแล้วพยักหน้า ไปได้แล้วคุณอ้ำพลชคดนี้ครับนายน้ำพลหันมาบอกลาทุกคนแล้วปลุกออกจากห้องนั้นไปในทันทีรับร่างของผู้อำนวยการบริษัทไทยไวล์ไลฟ์เชษดาก็เดินเข้ามาสะกิดน้องชายและน้องสาวพลางหันไปพูดกับชา ย, ยันว่าเราจะกลับกันก่อนนะชา ย, ยันแกไม่ต้องไปด้วยหรอกสำหรับคืนนี้ มีความเห็นว่าควรจะนอนอยู่กับลูกเมียที่โรงพยาบาลนี่ทุกอย่างไม่ต้องกังวลจะจัดเตรียมไว้ให้เองขอให้แกมีเวลาอยู่กับลูกกับเมียให้มากที่สุดไอหลักการอื่นๆเราก็ตกลงกันได้เรียบร้อยละชยันก็ว่าง่ายดีเหมือนกันพยักหน้าเออตกลงฉันจะอยู่กับเมียที่นี่คืนนี้พวกแกก็กลับไปพักผ่อนแล้วกันพรุ่งนี้พบกันเชษฐาอนุชาและดาริน เดินเข้ามาล้อมที่เตียงมาเรียอีกครั้งเพื่อบอกลาดารินก้มลงไปโอบกอดแม่เพื่อนสาวต่างผิวและจูบที่แก้มขอให้เธอหลับอย่างเป็นสุขและอย่า ก, กังวลอะไรทั้งสิ้นนะรักลูกให้มากๆลูกเธอก็เหมือนลูกฉันเหมือนกันกุณัยมาเรียบิดมือดารินแน่นยินยิ้มให้วินาทีสุดท้าย ก่อนที่ทุกคนจะออกเดินทางจากกรุงเทพขอให้มาเยี่ยมฉันโดยพร้อมหน้ากันอีกครั้งได้ไหมแน่นอนเราจะต้องมาบอกลาเธอก่อนไปเทฐาและอนุชากล่าวขึ้นเกือบจะเป็นเสียงเดียวกันแล้วสามพี่น้องราชสกุลวราริษก็ผละออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านกันตามลำพังโดยปล่อยชา ย, ยันไว้กับพัญยา ก่อนแยกกันขึ้นห้องนอนสามพี่น้องยืนประจันหน้ากันที่ห้องรับแขกใหญ่อีกครั้งขอเวลาสักสามนาทีเะครับพี่ใหญ่น้อยอนุชาพูพดขึ้นสีหน้าของน้องชายคนกลางแห่งสกุลเครียดขึนอ่ะว่ามานายกลางเชี่ยาพยักหน้าและจูงมือน้องทั้งสองไปนั่งที่เก้าอี้ชุดเดิม พี่ใหญ่ครับผมแน่ใจนะครับว่าผมจะต้องตามระพิงกับพวกนั้นพบไม่เร็วก็ช้าไม่ระหว่างทางก็อาจจะเป็นปลายทางที่ใดที่หนึ่งเราก็ภาวนาไว้อย่างนั้นแล้วยังไงแต่ยังพูดไม่จบข้อความไม่ใช่เหรออนุชา ย, ยิ้มเกรียมๆผมอยากจะปรึกษานะครับว่า ถ้าพบกันจะทำยังไงจุดประสงค์ของเราก็คือเอาตัวเขากลับมาให้ได้นี่เราพูดกันในระหว่างพี่น้องเราสามคนแต่เหตุการณ์มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในแบบต่างๆซึ่งเราจะต้องเตรียมแผนไว้ล่วงหน้าด้วยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าขณะนี้โดยหน้าฉากระพินเป็นมคุเทศนำทางของฝ่ายนั้นแต่หลังฉากลึกลงไปเขาอาจจะถูกควบคุมหรือบีบบังคับ ให้ต้องตกอยู่ใต้อำนาจบงการก็ได้อีกประการหนึ่งไอ้การที่ฝ่ายเราตามหลังไปมีหวังมากครับในเรื่องของการประทะ ก, กันพี่ก็คิดอยู่ในข้อนั้นเหมือนกันเชื้อถากเล่าอย่างใคร่ควรลึกเอาละ่ะงั้นเรามาวางแผนล่วงหน้ากันได้ในสามขั้นตอนคือหนึ่งถ้าตามพบระหว่างทาง และอเมริกันพวกนั้นแสดงว่าเป็นมิตรที่พอจะไว้วางใจได้เราก็จะร่วมทางไปด้วยเพื่อเป็นหน่วยคุ้มกัน ร, ระพินกับคนของเขาทั้งหมดสองถ้าอเมริกันพวกนั้นเห็นว่าเราเป็นศัตรูหรือมีพิรุษน่าสงสัยว่าจะเกิดอันตรายกา ร, ระพินหรือทางฝ่ายเราก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากเก็บไห้เกลี้ยงแล้วลากตัวระพินกลับสาม ในกรณีที่ร่วมทางกันไปได้เดิมีเราคุมหลังไปอีกระลอกหนึ่งและรพินสามารถนำไปจนถึงจุดหมายปลายทางสามารถช่วยให้พวกนั้นกู้ระเบิดได้สำเร็จเราก็มีหน้าที่ระวังไม่ให้พวกนั้นหักหลังรพินได้พวกนั้นมีกันแค่สี่คนเท่านั้นต่อให้มีวิทยุสามารถเรียกกำลังสนับสนุนทางอากาศได้ก็ตาม เราก็เชื่อว่าเราได้เปรียบกว่าสิบต่อนหนึ่งสำหรับภูมิประเทศอันเป็นป่าดิบดำหลงสำรวจที่เราเคยผ่านกันมาแล้วตกลงเอางั้นนะครับเอางั้นด้วน้อยว่าไงพี่ชายใหญ่หันไปถามถ้าสามารถหลีกเลี่ยงการฆ่าฟันกันได้และเอาตัวระพินกลับมาได้โดยปลอดภัยก็จะเป็นสิ่งที่น้อยต้องการที่สุดค่ะ แต่น้อยกลัวนะคะกลัวจริงๆกลัวจะตามไม่ทันตามไม่พบไม่ใช่น้อยไม่เชื่อฝีมือพิกลางนะคะแต่เราทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วว่าป่าลุ่มสารวินตอนเหนือขึ้นไปน่ะมันเป็นแดนสุนทยาแดนที่ไม่ปรากฏอยู่ในภูมิศาสากลทิศทางที่ระพินนำพวกนั้นบ่ายหน้าไปก็ดูเหมือนจะเป็นเส้นทางเดียวกบมุ่งเทือพระศิวะนั่นเอง คนที่จะผ่านบริเวณอาถรรพ์นี้ไปได้ไม่ใช่เดินป่ากเก่งอย่างเดียวแต่ต้องเพียบพร้อมไปด้วยอาคมสยเวทด้วยมันก็ต้องลองกันดูอย่างน้อยพวกเราทุกคนก็ผ่านกันมาแล้วและก่อนจะออกเดินทางแท้จริงเราทุกคนจะบวงสรวงขออำนาจอิทธิฤทธิ์ของมหาฤาษีกลทัญญาช่วยเราด้วยเชษฐาบอกมาอย่างปลอบใจแล้วตัดบทมาว่า ไปพักผ่อนนันเ ะ, ะพรุ่งนี้จะได้จัดเตรียมตัวกันแต่เช้าเพราะอย่างช้าที่สุดมรืนี้เราต้องถึงสถานีกักศัพท์ของคุณอัมพลหรือถ้าพร้อมหมดทุกอย่างก็อาจจะเดินทางจากที่นี่กันกลางดึกเลยไปเช้าเอาที่โน่นพี่ชายสองน้องสาวเล็กอีกหนึ่งแยกจากกันเอกสารที่ได้รับจากนายอัมพลทั้งหมดพี่ชายใหญ่เป็นคนเก็บไว้ เฉพาะรูปถ่ายของแม่สาวสองคนเท่านั้นที่ดารินขอเชษฐามาอยากขัดใจจึงยื่นทั้งสองส่งให้สังเกตเห็นสีหน้าคล้ำมองก็สุดที่จะสมเพชขณะที่น้องสาวเล็กก้าวขึ้นบันไดไปอย่างเสื่องซึ้งสองพี่ชายยืนมองกันอยู่เงียบๆแล้วหล่อนก็ไปหยุดอยู่ที่ขั้นพักหันกลับมาพูดแผ่วเบา ว, ว่า น้อยขอบพระคุณพี่ใหญ่พี่กลางชายันและเมยค่ะในความเดือดเนื้อร้อนใจไม่น้อยไปกว่าตัวของน้อยเองเลยสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เชษฐาเพียงแต่ยิ้มอย่างเอ็นดูส่วนอนุชาขมวดคิ้วโบกมือพูดหวนหวนว่าไปเหอะไปนอนไม่มีใครเขาใจดากับน้องเขยได้ถึงเพียงนั้นหรอกถึงไม่เห็นกับน้องเขยก็ต้องเห็นกับน้องสาวอยู่วันยังค่ำแหละ ผู้ชายทั้งโลกมีให้เลือกใหม่เอาดัานผ่าจะไปเอาไอ้ พ, พรานไรเสิงเครงคนนั้นเวนกรรมจริงๆพับผ่าดิคราวนี้ถ้าตามไม่พบกันแล้วไปแต่ถ้าพบฉันต้องไปไอ้หมอนั่นข้าเีีเอวน้องสาวฉันไปกอดจะทั้งคืนในบ้านทาสานหลังนั้นเพิ่งจะมาสาราภาพเอืคืนนี้เองปัดโถดารินวราฤทธิ์หน้ามอยหมุนตัวกลับ เดินขึ้นบันไดต่อไปเงียบเงียบโดยไม่ต่อล้อต่อถิง่งใดๆกับพี่ชายกลางซึ่งตามปกติแล้วเปรียบเหมือนำมิ่นกระปูนอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับคืนนี้เดี๋ยวนี้หล่อนสงบปากคำยอมจำนนหมดทุกกรณีความจริงหล่อนตันหนักมานานแล้วสำหรับพี่ชายกลางของหล่อนเป็นคนผู้จาผงผางตึงตังเช่นนั้นเองปากร้ายแต่ใจดี และมีจิตใจที่เรียกกันว่านักเลงซะยิ่งกว่าพี่ใหญ่ซึ่งเป็นสุภาพบุรุษเกินไปซะอีกหล่อนรักพี่ชายกลางและเล่นหัวกันได้เหมือนเพื่อนแต่รักและเคารพยำเกรงพี่ใหญ่เหมือนพ่อหล่อนไม่สนใจอิซาเบลูเลยแต่มาเพ่งพิษเฉพาะคริสตินากรูบิ้ยิ่งพิษก็ยิ่งบอกกับตัวเองว่าอเมริกันสาวผู้นี้ งามอย่างลึกซึ้งและเฉียบขาดจนจิตใจของหลอนสั่นไหวไปหมดปากเคยบอกกับใครต่อใครไปเมื่อไม่นานนี้นะว่าหลอนไม่แคร์ผู้หญิงคนไหนเลยสำหรับระพินไพรวันแต่ยามนี้อย่ามเมื่ออยู่ตามลำพังคนเดียวพร้อมทั้งความคิดคำนึงหลอนท่านฟืงหวันระแวงไปหมดฉันจะเสี่ยงชีวิตไปตามเธอด้วยความรัก แต่เดี๋ยวนี้เธอยังรักมั่นคงต่อฉันอยู่หรือเปล่านะรพินดารินรำพึงหลับตาอันแดงช้ำลงมือทั้งสองประสานกันไว้บนสวง อ, อกเหมือนจักภาวนาห้าสิบหกสี่ส่วนหนึ่งของกรุงเทพใครคนหนึ่งกำลังห่วงหาปริวิตกถึงบุคคลอันเป็นที่แสนรักจนกระทั่งนอนไม่หลับ อีกสิ่ส่วนหนึ่งของกลางใครกันดานลึกใครอีกคนหนึ่งอันเป็นความทุกข์ของผู้อยู่เบื้องหลังกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครจะคาดคิดไปถึงกันได้แม้กระทั่งบรรดาลูกน้องพรานไครมือดีทั้งหลายซึ่งกำลังหลับนอนและอยู่เวียนยามกันในขณะนี้เขาได้ออกตามร่างใหม่ของไอ้ผีดิกหมื่นปีไปแล้วตามไปทุกระยะชนิดใครดีใครยุ มันไรผู้พยาบาทการเวลาทั้งสองสีกส่วนของโลกนี้เป็นการเวลาอันเดียวกันสองนาฬิกาเศษเล็กน้อยเกิดอันเป็นเวรที่สองถัดจากเสยก็เข้ามาปลุกจันเพื่อให้รับยามต่อเพื่อตัวเองจะนอนสมุนซ้ายของระพินขยับตัวลุกขึ้นในทันทีสลัดตัวออกจากผ้าผุยเก่าๆซึ่งคลุมทับไว้ด้วยกระสอบป่านอีกชั้นหนึ่ง ควาไรเฟิลประจํามืออันมีผิวเหล็กเย็นเฉียบราวกะแช่อยู่ในตู้น้ําแข็งขึ้นมาพวกนี้ถูกฝึกมาใช่ จ, จนเคยชินเป็นนิสยัยละก่อนอื่นขยับลูกเลื่อนดึงถอยหลังเล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจที่สุดว่ากระสุนมันประจําพร้อมอยู่ในรังเพลิงแล้วปิดการลูกเลื่อนลงพร้อมกับลดนกเรียบร้อยปกติ ด, ดีอ่ะไอเกิดจันถามเบา ขณะที่เซยซุกตัวเข้ากระสะุดจัดแจงจะเอาผ้าถาวมาที่โพกหัวอยู่ลุงปิดหน้าเรียบร้อยนะจันเงียบเชียบดีหรือกันรับรองคืนนี้ไม่มีอะไรรับล ง, งานายได้ออกไปนอนขวางดักเส้นทางไว้แบบนั้นแล้วก็อโอยเกิดตอบพร้อมกับอ้าปากหาแล้วหลับตาลงอย่างง่ายๆจันลุกขึ้น มองไปรอบๆ บ, บริเวณแคมป์ซึ่งอยู่ในภาวะสงบไฟรุ่งทุกกองก็ยังลุกสว่างสวัยดีเป็นปกติพวกลูกหาพิจัดยามเป็นผลัดผลดกันไว้ก็นั่งเป็นเงาตะคุ่มอยู่ตามมุมต่างๆสองสามจุดแต่นั่งงอกองอขิงหลับนกเอาผ้าคลุมหัวไว้และไปทางกระโจมพักของกลุ่มนายจ้างก็ปกติทุกอย่างทั้งกลุ่มคงจะหลับสนิท ได้ยินแต่เสียงไฟที่แตกประทุอยู่ในกอง น, น, นานๆครั้งเท่านั้นแมกไม้ราวไพรทึบรอบด้านไม่มีสัญญาณของการไหวตีงเลยแม้แต่ใบไม้ก็ไม่กระดิกหมอกลงขาวมัวเป็นละออกจันเดินไปค้ำหัวเกิดที่เพิ่งจะล้มตัวลงนอนและเอาเท้าส ก, กิดเหียวก่อนอีกเกิดจะเพิ่งนอนว้า ทำไมกันนะจันนี่ตอนเวณของเองเห็นนายมั่งไหมแ่ยังนอนอยู่ที่เดิมตรงโขดหินปางทางด่านข้างล่างนั่นหรือว่าลุกเข้ามาในปางเรามั่งหรือเปล่าพร้อมกับพูดจันใช้ไฟฉายประจำตัวส่องตรงไปยังตำแหน่งที่เคยเห็นพรานใหญ่ไปยึดที่นอนอยู่ตรงหินก้อนใหญ่ลำไฟสาดฝ่าหมอกอันขาวมัวมนออกไป มองเห็นอะไรไม่ถนัดแต่ก็พอจะกำหนดที่หมายได้ว่ารพินไทรวันควรจะอยู่ตรงไหนโดยสังเกตไปยังก้อนหินใหญ่ใต้ต้นไม้ไม่เห็นนายลุกขึ้นมาหรือเข้ามาในเนี่ยตั้งแต่แกไปนอนดักอยู่ตรงนั้นก็คงไม่ไปไหนหรอกอยู่ตรงนั้นแหละเกิดตอบอู้อี้อย่างรำคาญแล้วขดตัว เอามือทั้งสองสุขหาความอบอุ่นในซอกขาตัวเองจันคอนไรเฟิลนในแขนมวดบุรีใบตองแห้งช้าๆหูเงียบเสียงแต่สุพรานก็ไม่อาจจับสัญญาณใดๆได้ทั้งสิ้นมันเ ง, เงียบเงียบเทียบเอาซะจริงๆเพราะจุดสูบได้สองสามอึดก็เริ่มใช้ไฟอีกดับดับเปิดเปิด เป็นสัญญาณเรียกโดยหวังไว้ว่าถ้าเจ้านายตื่นอยู่หรือรู้สึกตัวมองเห็นลำแสงไฟก็คงจะฉายไฟตอบรับเป็นสัญญาณมาไม่มีวิแววอะไรทั้งสิ้นป่านอกบริเวณปางพักรอบด้านถูกคลุมไว้ด้วยความมืดทะมึนและม่านหมอกจะกูตะโกนเรียกให้เสียงออกไปจันก็เกรงว่าจะเป็นที่เออกระึก แต่บรรดาพวกลูกหาบและกลุ่มนายจ้างที่กำลังนอนหลับสนิทกันอยู่จึงเด็ดใบไม้จากซุ้มที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆขึ้นมาพักเป็นสองทบเบาๆ เ, เป็นสัญญาณเหมือนเสียงสัตว์บางชนิดร้องซึ่งเข้าใจและรู้กันดีในบรรดาพรานไพรทั้งหลายไม่มีเสียงตอบด้วยสัญญาณอย่างใดทั้งสิ้นยังไง นี่ไงเราหลับเป็นตายไปอย่างนี้อยู่หรอจันครางออกมาแล้วก็เริ่มเดินออกจากจุดที่ยืนอยู่จะบ่ายหน้าลงไปยังตำแหน่งโขดินนั้นทันทีเฮ้ยไอย้จันหยุดอย่าเสือกออกไปนอกเขตไปนั้นขายชั่ น, นมือเสียงทักต่ําๆดังมาจากด้านหลังจันชะ ง, งักหันขวับมาพรานลูกพี่ผู้อาวุโสที่สุด คือตาเท่าบุญคำขณะนี้ผุดลุกขึ้นมาโดยเร็วความจริงแกก็โกรนครอ้อครอกอยู่ลัดหลัดนี่เองแต่บทที่จะตื่นขึ้นมาก็ตื่นมันผีปลุกก่อนที่ลูกน้องจะก้าวพ้นออกนอกบริเวณกองไฟกองสุดท้ายระหว่างที่จันรยังยืนนิ่งอยู่แกก็คว้าไรเฟิลประจํามือก้าวสวบสวบเข้ามาถึงตัวทันทีจะหาเรื่องเดือดร้อนไหมขาดเสร็จแล้วไหมละ่ะเอง ตาพรานเท้าบนต่ำๆจ้องไานี่เองจะออกไปไหนจันมีสีหน้ากังวลไม่สบายใจนักชี้มือไปยังทางด่านข้างล่างฉันก็จะลองลองไปดูตรงที่นายนอนอยู่นั่นไงพี่คำนายน่ะหายไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่หัวข้ามแล้วไม่เห็นวี่แววอะไรเลยถามให้เกิดที่เป็นยามสุดท้ายก่อนจะมาปลุกฉันขึ้นมาก็ไม่รู้เรื่องบอกก็ไม่เห็น ไม่ได้ยินเสียงอะไรจากนายอีกเลยเฮ้ ย, ยเฉยเฮอะอย่าทอเรื่องไม่เข้าเรื่องอยู่ในนี่แหละไม่ต้องออกไปบุญคำว่าแล้วก็ลากแขนจันให้เข้ามานั่งที่ขอนไม้ริมกองไฟตัวแกเองนั่งลงด้วยจำไว้จันคำสัง่งต้องเป็นคำสัง่งนายระบินไม่ให้พวกเราคนไหน เจ้าพ้นบริเวณกองไฟนี่ออกไปเป็นอันขาดเรื่องเองเป็นใครเก่งแค่ไหนข้าเองยังไม่กล้าออกไปเลยอยู่ในนี่แหละข้าก่อ น, นอนไม่หลับเหมือนกันจะนั่งเป็นเพื่อนเองด้วยไหนมวนยาให้ตัวสิจันมวนยาส่งให้ลูกพี่แต่ถ้ารับเอากิ่งไม้ติดไฟเล็กๆในกองขึ้นมาจุ แล้วโยนกิ่งไม้เข้าไปในกองตามเดิมเหลียวไปรอบๆพื้พัออกมาเฮ้กี่โมงกี่ยามแล้วก็ไม่รู้วะจะดูดาวก็มองไม่เห็นฟ้ามันมืดไปหมดหมอกลงจับซะด้วยจินี่พี่คำตื่นนานแล้วเหรอบุญคำหัวเราะเสียงแปลงๆในลำคอข้านัหลับเป็นตายมาตั้งแต่หัวคำแล้ว ลับจงกระทั่งถูกเตะพลักขาให้ทิศสีค่ะอิหนแรกนึกว่าพวกเองตัวใดตัวหนึ่งทะลึ่งเตะค่ะสะดุ้งลืมตาดูว่าจะลุกขึ้นมากระพือก็ไม่เห็นใครอยู่ใกล้ข่าสักคนพอดีเห็นเองกำลังจะเดินออกนอกบางพักข้าก็เลยต้องเพนมาแล้วแกก็บอยมือให้ลูกน้องดูในนั้นเป็นรูปควายทองแดงตัวเล็ก ขนาดยาวไม่เกินสองนิ้วรอในลักษณะกำลังเบิงพั ง, งาดอยู่แล้วบอกต่อไปว่านี่ไอ้ตัวนี้มันขิดสีข้างขาเขาขให้เองนึกว่าใครเตะสิที่แรกข้าเอาไว้ทางด้านหัวนอนตอนดึกขึ้นมันไม่อยู่ตรงชายโครงพอดีมันปลุกข้าว่ะถ้ามันจะไม่ชอบก้นเท่ละจันอาปากค้าง อุทานขึ้นมานี่ควายธนูปลุกพิคาขึ้นหรอกเหรอเออกวิดปางเลยยังก็ถูกคนเตะงั้นแหละไม่งั้นข้าก็ยังไม่ตื่นเนาะกยังไม่ถึงยามของข้านี่วะ่ะมันคงจะปลุกข้าเพราะเห็นเองกำลังจะเดินออกนอกปางแล้วมั้งเ อ, อ้ฉันว่ามันน่าจะมีอะไรไม่เข้าท่าเสียแล้วนะพิคาก่อนที่พิคาจะตื่นขึ้นมา ฉันฉายไฟหลายครั้งไปที่หินก้อนที่นายไปนอนอยู่นู่นไม่ยากจะเห็นแกฉายไฟตอบหรือทําเสียงอะไรให้ได้ยินเลยเบาใบไม้เรียกก็ไม่มีเสียงตอบพี่คําว่านายยังนอนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าตอนเนี้ตาพรานเท่าหมอผีประจําคณะชะเง้อคอมองไปทางด้านนั้นอย่างปราศจากความหมายเพราะแกเองก็มองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากสีดําคด ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ข้าว่าไม่ต้องเรียกไม่ต้องตามออกไปดูทั้งนั้นแหละพวกเราทุกคนอยู่ในนี่แหละนายน่ะมีวิชาเหนือกว่าพวกเราถึงยังไงแกก็เอาตัวรอดได้เสมอแหละพวกเราสิถ้าพลาดเมื่อไรไปหาเมื่อ น, นั้นตอนนี้แกยังอาดใ จ, จนอนอยู่ที่เก่าหรือเดินตรวจไปถึงไหนไหนก็ปล่อยแกเถอะขอยฟังเสียงปืนก็แล้วกันถ้าโตเมื่อไร ก็ว่ากันอีกทีเองห่วงนายข้าหรือทุกคนก็หวงแต่คนที่ถูกห่วงนะ่ะเขาเก่งกว่าเราทุกคนเลยต้องห่วงตัวเองก่อนดีกว่าเชื่อเหอนายระพินในอย่างป่าดิบดงดันนะ่ะทำอะไรแกไม่ได้หรอกวะแต่ถ้าเป็นปา่าหญ้าแพร่ตามเนินสามเหลี่ยมแล้วก็ต้องช่วยกันระวังหน่อยเพราะแกไม่ชํานาญ เผลอเป็นตกหลุมเอาไงไง่เงฮานี่ข้าก็ใจไม่ดีเลยพาอีตอนขึ้นไปเยี่ยมไอ้เอิเองบนหน้าผามาหัวคัมสงสัยนายเราจะเสียท่าแม่มผมแดงเขาหายซะละข้าดูแก่เขาวอ่อนอยังไงปิกก้นตอนที่เดินกลับมาหาเราอ่ะบุญคำอดไม่ได้ที่จะเลี้ยววกเข้าหาเรื่องขนองปากแต่ความจริงแกต้องการจะพูดอะไรให้เป็นเรื่องสนุกโลนเล่นแก้สถานการณ์ อันหวั่นหวันใจอยู่ในขณะนี้เสียมากกว่าเพราะขณะที่นั่งอยู่กับจันสองคนขนตามแขนก็ลุกชันอยู่เป็นระลอกไม่ขาดระยะนี่พี่คำจะไม่ออกไปดูนายจริงเหรอเราไปกันสองคนก็ได้นี่นะระยะทางแค่นี้เองจันยังไม่ละความพยายามเธ อ, อใจข้าก็อยากออกไปเหมือนกัน ตาเท่าบอกด้วยความกังวลลึกแต่หลายครั้งมาแล้วนะ่ะที่นายสั่งอะไรแล้วข้าหรือพวกเองฝ่าฝืนไม่ทําตามเป็นเกิดเรื่องบันไลทุกทีดี่วะข้าน่ะเข็ดซะละไอ้กลัวน่ะไม่กลัวหรอกว่าออกนอกเขตบางพักนี่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่ข้ากลัวว่าถูกนายเตะเพราะขาดขืนคําสั่งเอางี้ไอ้จัน เองออกเดินตรวจรอบบริเวณไปทางขวามือนี่นะแต่ต้องอยู่ในบริมนทนของเรานนะข้าก็จะออกตรวจดูแลไปทางด้านซ้ายแล้วค่อยมาบรรจบกันที่นี่อีกทีหนึ่งตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเองกับข้าสองคนไม่ต้องนอนกันแล้ววะเฝ้ากันยันเช้าเลยข้านั้นมันสาส่ายยังไงบอกไม่ถูกวะตกลงกันดังนั้นแล้วจันตบุญคำ ขันจากเป็นพรานอาวุโสที่สุดของคณะรองจากพรานใหญ่ก็ลุกขึ้นพักแยกจากกันออกเดินช้าๆสำรวจตรวจต ร, ราไปรอบๆ บ, บริเวณแคมป์ที่พักไฟกองไหนที่ทำท่าจะหลีมอดก็เตือนให้พวกลูกหาบที่อยู่ยามสูงฟืนเพิ่มเติมเข้าไปพลางก็ใช้ไฟฉายส่องตรวจทั้งบริเวณภายในตลอดจนป่ารอบนอกไปด้วยแต่ก็ไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้น ในการส่องไฟนอกพ้นบริเวณที่พักเพราะความทึบของพงรบประกอบกับม่านหมอกที่กระโจมพักของกลุ่มนายจ้างภายใต้หลังคาคลุมและผ้าพลาสติกที่ทิ้งชายบังมิดลงทุกด้านก็อยู่ในสภาพสงบเงียบทั้งห้าคนในกระโจมคงจะหลับสนิทเพราะการตรากาหนกระหว่างเดินทางกลางวันที่ผ่านมา เสียงนายคิดกรนครกครากสนั่นหวั่นไหวออกมาให้ได้ยินขณะที่จันและบุญคำเดินมาบรรจบกันยังตำแหน่งนั้นเมื่อเห็นว่าทุกอย่างภายในที่พักอย่างราบคาดปกติสุขสงพรานก็กลับมานั่งสู่บุรีพื้นเมืองคุยกันที่กองไฟด้านที่จะเป็นทางด่านนำลงไปสู่ลำธารเบื้องล่างอีกครั้ง บุญคำอุตสาอาวิทยุทรานซิสเตอร์ที่ติดตัวมาด้วยเครื่องเล็กของแกออกมาหมุนเข็มหาคลื่นเพื่อจะรับฟังเพลงหรือรายการภูทรซึ่งตามปกติก็มักจะรับฟังได้อยู่เสมอแต่คืนนี้มันมีแต่เสียงคลื่นอากาศโครกคราไม่มีเสียงอื่นใดแวดออกมาเลยแกก็เลยปิดสะบดดายกขึ้นทำท่าจะคว้างทิ้งแต่พอนึกขึ้นมาได้ ว่าวิทยุเครื่องนี้แกได้รับกำนันมาจากนายหญิงที่แกเคารพรักเหมือนมารดาบังเกิดเกล้าก็เลยเก็บเข้ายามตามเดิมบหายนี่จะฟังเพลงสั ก, กนหน่อยก็ไม่มีให้ฟังเพลงเจ๊กอเพลงประมาณ ก, ก็ยังดีวะเฮ้ยมีแต่เสียงอย่างกระคนท้องรว่วงอีกโทพี่คำก็ขนาดวิทยุเครื่องใหญ่ของนายห้างพวกนั้นก็ยังใช้การไม่ได้ แล้วมันนับราษาอะไรกับวิทยุฟังยี่เกของพี่คํเออจริงวะ่ะขาลืมไปไ อ, อ้เขาแถบนี้นี่มันมีอะไรของมันกันวะ่ะแต่วิทยุวิทย์แย่เสียมูดใช้การอะไรไม่ได้เลยเสียงคุยโต้อตอบของทั้งสองคนเว้นว่างออกไปเป็นลำดับต่างนั่งผิงไฟกันอยู่หันหน้าออกป่าไรเพื่อน าดไว้กะตักแล้วในที่สุดก็สับประงกหลับนกเมื่อการเวลาผ่านไปอีกด้านหลังกระโจมพักของฝ่ายนายจ้างเป็นบริเวณที่โล่งมากที่สุดเพราะห่างออกไปเพียงไม่เกิน30เมตรก็เป็นหน้าผาที่จะไต่ขึ้นถ้าบริเวณที่พวกกระเรียงตะเคียนทองอพยพกันขึ้นไปอาศัยอยู่ บริเวณนี้เป็นจุดที่ระพิน์ไทรวันมองไม่เห็นความสำคัญใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะ ก, กำหนดไว้เป็นเส้นทางให้ทุกคนผละหนีจากแคมป์เพื่อถอยขึ้นหน้าผาหากเกิดเหตุฉุกเฉินจวนตัวขึ้นมีพุ่มไม้เตี้ยๆขึ้นอยู่ประปรายมีการก่อไฟให้ความอบอุ่นไว้เพียงกองเดียวและปราศจากยามฝ้าเพราะถือเป็นจุดอับของการจู่โจมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ใหญ่ขนาดช้าง สิ่งลี้ลับที่สุดน่าสยดสยองพองขนมากที่สุดได้คลานกระดึกคืบตัวของมันอ้อมแนวปาครึ่งวงกลมด้านหน้าวกอ้อมเข้ามาทางด้านหลังนี่เองแล้วเริ่มเคลื่อนเข้ามาสู่เป้าหมายนับตั้งแต่ระพินไพลวันพระจากแท่นหินตำแหน่งพักนอนสะกดหลังไล่ไออมนุษย์ตนนั้นเพราะหลงกฎ ไอ้ซากที่ขาดครึ่งท่อนเหลือเฉพาะส่วนเอวขึ้นมาจากอำนาจกับระเบิดของเชิดบุตรตนนั้นนั่นเองมันใช้มือทั้งสองแทนขาลากตัวเองผ่านพุ่มไม้ด้านหลังกระโจมพักเข้ามาอย่างเบากรึดอาจมีเสียงหินลูกรังหรือกรวดลั่นแสกสากบ้างเพราะร่างกายครึ่งท่อนลากรั ก, รกมากัดพื้น แต่ก็ไม่รัแค่ระทายไปถึงหูของทุกคนในกระโจมพักที่กำลังจมสนิทอยู่ในนิทราลบุญคำและจันทร์ก็นั่งสับประงกอยู่อีกด้านหนึ่งห่างลิบลูกหาบที่อยู่ยามก็แยกกันอยู่คนละทิศในจุดล้อมครึ่งวงกลมเปิดส่วนหลังไว้มันครลออกมาจากผุ่ไม้ที่ใกล้ที่สุดเลี้ยงโล ก, ก้องไฟ แล้วก็ลากตัวเข้าไปทางด้านพลาสติกที่ขึงนั้งกระโจมส่วนปลายเท้าของทุกคนที่นอนอยู่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเป็นลำดับอย่าง ช, ช้าช้าแต่ก็อแน่วแน่ในประสงค์ร้ายคริสตินานอนอยู่ทางด้านหนึ่งผัดจ า, ากคิดอาจเป็นเพราะพัดพวกคนใดคนหนึ่งภายในโปงแบงเก็ตผืนเดียวกัน พลิกตัวจึงดึงเอาผ้าห่มชนิดหนาให้หลุดพ้นจากตัวหล่อนไปทำให้หนาวเฉียบขึ้นมาทันทีลอนตื่นขึ้นเพราะผ้าห่มถูกดึงพลิกตัวกลับอย่างหงุดหงิดช่วยชายผ้าห่มได้ก็กระชาก ด, ดึงคลุมตัวให้ได้บัดนั่นเองผ้าพลาสติกที่ปิดกระโจมอยู่ทางด้านปลายเท้าก็ถูกแหวนออกชาดชา มันก็พอดีกับที่หลอนลืมตาขึ้นเพราะต้องการจะแย่งผ้าหม่มแสนตะเกียงแบตเตอรี่ที่จุดรีไว้ทางที่ว่างปลายเทา้าทำให้หลอนมองเห็นภาพของใบหน้าที่โผล่เข้ามาอย่างทนัดชัดเจนที่สุดหนังหุ่กระดูกหน้าสีคล้ำแห้งเกาะหนูแก้มโพนตาลุกสว่างโพลนราวกะมีหลอดไฟเข้าไปจุดไวฟันขยเหรศีีใหญ่เยเก จยากขากันไกลกว้างเปิดซึ่งบัด น, นี้อ้าขึ้นและลงช้าช้าเป็นจังหวะทุกครั้งที่มันหุบปากลงฝันล่างและบนอันแสงจะน่าใสอิดใสเอียนนั้นกระทบกันดังอยู่กกเป็นจังหวะและดวงตาทั้งสองข้างนั้นก็จ้องเขม็งมาที่หลอนขณะที่ผงโกสีสษกขึ้นดูแม่นักเคมีฟิสิกสาวผมทองอยู่ในภาวะช็อก หล่อนจ้องนี่ลืมหายใจไปชั่วขณะหล่อนจำไม่ผิดแน่แนก็ไอ้ซาบมหานรกตอนนี้แหละที่ถูกระเบิดของเชิดบุตขาดครึ่งท่อนไปครึ่งตัวเมื่อตอนกลางวันนี้บัตรนี้มันกําลังลื้อส่วนหัวโผล่นาอันแ ส, นสิใสอียนสุจพันนาได้เข้ามาทางปลายเท้าของหล่อนอ้าปากขยับฟันยุ่งนัก มารู้สึกตัวก็ต่อเมื่อข้อเท้าของหลอนถูกมือทั้งสองประดุดอุ้งเท้าเสือของมันจับขยุ่งไว้พร้อมทั้งอ้าปากกว้างมีอาการเหมือนจะ ก, กัดหรือขบเคี้ยวลงไปบนปลายเท้าที่สวมบูทตเดินป่าอยู่ประหนึ่งจะฉีกินเป็นพักสาหารอันโอชะคริสตินาร้องกรี๊ดออกมาสุดเสียงไม่เป็นภาษานี่คือสิ่งสยองขวัญที่สุดในชีวิต ที่คริสติน่าไม่เคยพบผ่านมาก่อนพร้อมกันก็ดิ้นสุดแรงริดสบัดเท้าถีบทั้งสองข้างออกไปฝาเท้าวุ้งบูธของแมบบ่ผมทองยันปะทะหน้าอันน่ากรีดย่างจังอันเป็นจังหวะเดียวกับที่มันก้มหัวลงงับพอดีแต่ก็ถูกบาทาพื้นยางดิบชนิดหนาถีบพังหะทะไหลออกไปคริสติน่าเพ่นพรวดขึ้นยืนในขณะที่ผู้นอนร่วมเต็นท์ทั้งหมดก็พรวดพลาดตื่นขึ้นพร้อมกันหมด ยังฉุกละหุบยังไม่ทันที่จะมีใครอ้าปากถามคำใดไ ด, ได้เสียงระเบิดเปรี้ยงแรกก็ดังขึ้นในเวลาติดๆกันคริสติน่าว่องไวตามนิสัยหล่อนกระชากบางสั่งจากสอนพวกที่ซอกอกซัดเข้าให้แล้วกลางใบหน้าที่พงโงกหัวเบนกลับมาอีกครั้งท้ายหลังถูกถีบกระสุนเจาะเข้ากลางหน้าผากแล้วทะลุเลยออกทางด้านหลัง กระทบพื้นดินถัดไปฉลับเฟี้ยวพุ่งผ่านไปทางด้านบุญคำและจันที่นั่งสับปะงกอยู่ห่างจากศีรษะประมาณสอกเ็กสองพรานอาวุโสสะดุ้งพลวดพราเพราะเสียงวีดร้องและเสียงปืนระคนกันร้องเฮ้ย hey พร้อมก็เห็นพวดขึ้นยืนเสียงมาจากทางพักในห้างเร็วไอ้จันตามข้ามาตาพรานเท่าร้องโวยวายทางด้านในกระโจมพัก เชิดบุตเบลคิดและสตาลีกำลังชุลมุนสุดขีดแล้วลุกขึ้นชนปะทะกันคริสตินานียวไกลนักที่สองแล้วอีโตมสนันคราวนี้กระสุนทะลวงเข้าไปในปากที่กำลังอ้าอยู่กระทบฟันหน้าด้านบนทั้งสองซี่กระจายว่อนแต่มันก็หาได้สะดุ้งสะเทือนอะไรทั้งสิ้นคงลากตกกระดึบกระดึบเข้ามาใสอเมริกันกลุ่มนั้นทั้งกลุ่ม คริสติน่ากับเบลเพนออกนอกเขตกระจมพักไปแล้วพร้อมทั้งเป้นอยู่เรา่เราๆรแหกปากร้องอะไรบอกพักพวกฟังไม่ได้สับสตารี่วยได้ไรเฟิลประจำมือแต่ยังไม่ทันจะจับถนัดก็ถูกคิดซึ่งโดดล้าไปเบื้องหน้าชนและบังไว้ทำให้ส่องลากล้องปืนไม่ได้นายคิดปเปะเฉยโครมเข้าไปที่ปลายคางของร่างอันขาดครึ่งท่อนที่อ้าปากแงบแงเข้ามานั้นเปมเหนียวผลก็คือ เหมือนเตะกระทบขอนไม้แต่กำลังเท้าก็ส่งร่างนั้นให้พังหนาตะแคงกลิ้งไปได้เช่นกันคิดโวยฟังไม่ได้สับพร้อมกับพรุษสวะที่อยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาพบกัเหตุการณ์หน้าวาเสียวกระทันหันในทหารอเมริกันหนุ่มใหญ่ตามฟาดด้วยพานท้ายไรยเฟิลในลักษณะที่เสยขึ้นเสียงกระทบดังกึกแล้วมันก็กลิ้งไปอีกสองตลกคิดไม่ฟังเสียง ลุยต่อไปด้วยการใช้พานไทยอันหนักหนวงเล่กระทุงบัตรนี้ทุกคนในกลุ ม, มองเห็นภาพวาดเสียวนั้นอย่างชัดเจนแล้วภายหลังจากแต่คือกันออกมาจากที่พักนอนไอตัวคาสเครื่องท่อนเสียงคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายในคณะตะโกนก้องขึ้นชนิดกุจจาระแทบจะขึ้นไปอยู่บนขรหมองเพราะทุกคนจำลักษณะรูปร่างของมันได้ดีที่สุดเมื่อตอ น, นบ่ายวันนี้ ขาดที่โดนกับระเบิดของเชิดบุตตัวขากตเเ็นสองท่อนนั้นสภาพของมันก็เป็นเพียงแค่วัตถุโบราณชนิดหนึ่งเท่านั้นแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นไปได้ยังไรไอ้ตัวขาเฉพาะท่อนบนจึงคลานเข้ามาด้วยแขนสองข้างสภาพเหมือนสัตว์ป่าดวงตาเบิกได้ยังมีวิญญาณและปากอ้ายัางเตรียมพร้อมที่จะกัดถึงตอนนี้สไตลีตั้งตัวได้แล้ว ประทับไรเฟิลขึ้นแต่เขาก็ยังไม่กล้าลั่นไกลเพราะความรอบคอบเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางแคมป์ที่พักซึ่งบัดนี้พรานพื้นเมืองและลูกหาตื่นฮือกันขึ้นพร้อมกันหมดและกำลังจะพลูเข้ามาวิถีกระสุนที่จะลั่นออกไปในแนวราบชิดพื้นรัศมีเอ็นมากกว่า45ห้าองศาอาจจะเฉลกไปถูกใครก็ได้โดยเฉพาะคิดเองก็กาลังไล่หวด ด้วยพานท้ายไรเฟิลเป็นภละวันเขาจึงได้แต่จดจดจ้องจ้องแล้ววิ่งหามุมเพื่อจะยิงอยู่เสียงเอะอะโวยวายกันไปหมดเชิดบุญนั้นกระโจนออกไปทางด้านปลายเทา้ารัศมีห่างไกลาจากกลุ่มนั้นทุกคนในทหารมุ่ยอมรับว่าภาพที่เห็นนั้นแทบจะทำให้ตกใจจนสิ้นสติตัวขาดรึ่งท่อนแท้แท้มันคลานไตตามมาได้ยังไง นี่เป็นสิ่งที่ขนพองสยองเกล้ามากที่สุดแลวขณะนั้นเองเขาก็เห็นแขนข้างหนึ่งของมันคว้าส่วนพานไทยของไรเฟิลคีดที่ตามกระทุ้งกระแทกไว้ได้กระชากทีเดียวด้วยพลังแรงเตินมนุษย์คีดหัวที่หัวตำ่ำใส่ตามแรงฉุดและกระโดดข้ามร่างของมันไปโดยปล่อยไรยเฟิลให้หลุดจากมือตัวเองเพระแรงฉุดแรงแย่งที่เหนือกว่า เมื่อ น, นั้นเองสแปน ล, ลีและอิสเบลก็ได้จังหวะลั่นกระสุนออกไปพร้อมกันทั้งสองกระบอกโดยกระบอกหนึ่งเป็นไรเฟิลจุด 4, 5, อีกกระบอกหนึ่งคือ M16 พับฐานที่ตั้งสวิตช์ยิงแบบกึ่งอัตโนมัติลูกปืนของเบลเพียงแต่เจาะก้านคอทะลุผ่านไปเฉย กระสุนยิงช้างขนาดหนักของหัวหน้าคณะจับเข้าที่กระดูกโหนกแก้มไส้ขวากระดูกหน้าแถบนั้นกระเด็นแบะหายไปในพริบตาและจากการยิงทั้งสองนัดนั่นเองจันกระบุนคำที่โกยแน่พปรงเข้ามาก็ต้องทิ้งตัวลงนอนราบกับพื้นอย่างเคยชินต่อเหตุการณ์เพราะกลัวลูกฉลับหลงมาถูกกันเองครับความขวัญเสียดรึงหนกของคณะนายจ้างยิ่งทวีขึ้นถึงขีดสุด เมื่อเห็นใบหน้าที่แหวงหายไปเกือบจะครึ่งซี่เห็นชัดๆกับตานั้นสะบัดเลือดไปนิดเดียวกระดูกซี่ที่เหลืออยู่ขาวโพลนผสมกับเลือดำดำๆเหมือนมียางหุ้มไว้ที่ยังเกาะคลุมติดอยู่ไม่ได้เป็นผลให้มันหยุดตตอาการเคลื่อนไหวอย่างใดเลยแต่ยังคงคลานลากตัวเข้ามาหาอยู่เช่นนั้นเหยียดแขนทั้งสองยังกายสูงขึ้นและไม่ผิดอะไรกับ ง, งูร้ายที่เชิดหัวแผพงังพน ทีศทางปืนเชิดบุตรตะโกนสุดเสียงแล้วประทับไรเฟิลขึ้นจี้ลำกล้องไปยังก้านคอด้านหลังนั้นคริสตินาเบร์และอีกสองอเมริกันเพ่นแยกออกคนละทางพ้นจากรัศมีทิศทางลำกล้องปืนของเชิดบุตรบัตรนั้นนายทหารหนุ่มก็เหนียวไก จุด 3-7-5 แม็หามกนัมของเขาดังสนั่นลั่นโลกจากกระสุนที่ผ่านพิธีของบุญคำเมื่อตอนหัวคํนนี้แล้วโดยเกิดเป็นคนแอบเอามาให้ตูมเดียวส่วนหัวนั้นขาดกระเด็นออกไปเรากระถูกสายอัดสุนิบาตฟาด ท, ทั้งทั้งที่หน้าตัดกระสุนของเชิดบุตรก็เล็กกว่าของสแตลลีมากร่างที่กำลังคลานกระดึบกระดึบิ้งกายหวบลงกับพื้นแน่นิ่งลงไปในทันที เฉพาะส่วนหัวที่แหวะชำรึกไปก่อนแล้วปริ้งคลุกๆๆๆไปทางนายคิดและปากที่ยังอ้าอยู่ก็งัดฉับเข้าไปที่รองเท้าเดินปา่ามันงัดได้ในตำแหน่งที่ปากของมันปริ้งไปกระทบเท่านั้นขีดรองวะตกใจท่านวราชหลับหูหลบับตาเตะสะบัดออกไปสุดแรงเกิดโชคดีที่เขาสวมรองเท้าชนิดหนาและปากที่งางออกงักนั้น ฝันหน้าบางส่วนก็ถูกลูกปืนของคริสติน่ากระเด็นไปสองสามสีกแล้วจึงนับไม่ทันหัวของมันกลิ้งคลุก ๆ, ๆๆๆต่อไปทางด้านอเมริกันสาวทั้งสองซึ่งเพ่นหนีกันชนิดตัวใครตัวมันเชิดวุธปาดไรเฟิลตามแล้วกดเข้าไปอีกปร้ยงหนึ่งสัดติ์ทรงอนุภาพยิงสำหรับกระสุนแบบหัวแข็ง ที่บุญคำเอาเข้าพิธีค้าวกับยันอีเปดของแกก่อนแล้วมันผ่านแร่งกะโหลกลูกนั้นแบะออกเป็นสองเสี่ยงกระจายเป็นสะเก็ดว่อนปลิวแยกไปคนละพิษละทางส่วนร่างกายก็แน่นิ่งไม่กระดุกระดิกอีกต่อไปบัตรนั่นเองก่อนที่บุญคำและพรานพื้นเมืองทั้งหลายจะพุ่งเข้ามาถึงกลุ่มโกลาหนของนายจางก็มีเสียงวัตถุหนักนักถูกเวียงลัก กิ่งไม้ตูงตามเข้ามาเหมือนจะเป็นการจับคว้างเข้ามาโดยแรงพริบตาต่อมาวัตถุสิ่งนั้นก็หลนตุกลงกลางบริเวณของที่พักซึ่งมีไฟก่ออยู่รอบด้านและเป็นบริเวณใจกลางที่คนทั้งหมดในแคมป์กำลังวิ่งพล่านมันกลิ้งครุกๆๆไปด้วยอำนาจแรงเวียงห้าหกทอดแล้วมาหยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าบุญคากระเจน ผู้เพิ่งจะยงโยงยงยกขึ้นมาได้จากการทิ้งกายลงหมอบลบวิถีกระสุนของฝ่ายนายจ้างเฮ้ยทั้งสองพรานเอามุโสอุทานลั่นออกมาไม่เป็นภาษาเมื่อมองเห็นถนัดงะ ห, หนีถอยหลังกรูดไปสองสามเก้ายังยังไม่สามารถจะควบคุมสติบ้างร่างของไอ้ผีดิบตัวที่ทุกคนเห็นว่าระพิงยิงตัดข้อพับทางด้านหลังทาลายกระดูกสบ้าหัวเขาแหลกไปเมื่อตอนบาน่าย อันเป็นซากแรกก่อนที่เชิดวุฒจะวางกับระเบิดของซากที่สองขณะนี้หมวนตัวขึ้นมาคลานสี่ขาริมขีปากของมันไม่มีเห็นแต่ฟันอาการจึงเหมือนยิ้มแต่ก็คลานด้วยเข่ากับแขนทั้งสองเยื้องกายแช่มช้าประดุดเสือภาพนี้เห็นกันถนัดทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้าง ที่เพิ่งจะยุดติซากแรกลงได้พวกพลันพื้นเมืองและพวกลูกหาโดยเฉพาะอูทากกบพโต้สงเสียงร้องแวะเ็นยังไม่รู้เหนือรู้ใต้จะแล่นออกนอกบริเวณปางทักแต่เกิดกระสรยที่เพิ่งจะตื่นพวดพ ร, ราดขึ้นมาพร้อมกับลูกหาทั้งหลายพุ่งตัวก็ประทะเหมือนแท็กรักบี้กระชากขาทั้งสองล้มลงได้ซะก่อนที่จะกระเจิงหายเข้าไปในปา่าซึ่งนั่นหมายถึงวาระสุดท้ายของมันแน่ ในภาวะเช่นนี้คริเสียบปืนสั้นเข้าซองสะพายไหลแล่นเข้าไปยังที่นอนกระชาก m 1็มของหล่อนออกมาเบนกับสตาลีตวัดปืนเข้าหาร่างนั้นแต่แล้วก็สติดีที่ยังไม่กล้าเหนียวไกลปืนออกไปเนื่องจากเข็นบุญคำกระจันภาวะวะวงอยู่หลังวิถีกระสุนส่วนคีปนั้นเพิ่งจะวิ่งมาคว้าไรเฟิลของตัวเองที่ถูกห้ผีดิบครึ่งตัว ซึ่งบัตรนี้ถูกกระสุนของเชร์บุตรเละไปแล้วฉุวยขึ้นมาได้ไม่ยอมฟังเสียงใครอีกทั้งนั้นนายผมทรงลางบินตอกกระสุนนัดแรกออกไปเสียงสนั่นวันวันหัวกระสุนห0 0เกรนจากจุด 4-5-8 หแเมตรจับเข้าสีข้างของร่างที่กำลังคลานท่าทีจะไล่กัดบุญคำกระจังอยู่นั้นถนัดทนีที่สุดถ้าเป็นสัตว์มีชีวิต และกระสุนกระทบแนวรักแร้แดงในระยะที่ไม่ห่างเกินไปด้วยแรงประทะห้าพันฟุตเปล่าเช่นนั้นแรกหรือช้างก็ยังสุดแต่นี่เปล่ากระสุนทะลุร้อยผ่านตัวมันไปเฉยเฉยจะมีอาการบ้างก็เพียงส่วนตะแคงไปบ้างเท่านั้นแล้วก็ทรงตัวขึ้นมาคลานอีกหมุนวนหันรีหันขวาเหมือนจะหาเป้าหมาย ว่ามันควรจะมุ่งไปทางใครที่ใกล้ที่สุดไอ้จันยิ่งบุญคำตะกรอนสุดเสียงของแกขณะที่ทุกตัวเองก็พังหะหลังทุกคนมอบลงจันร้องฟังไม่เป็นภาษาสั่งการออกไปคริสกเบนอยู่ในแนวทิศทางปืนพอดีจรนวู้ดขับบงหลังปลวกเตี้ยเตี้ยพวกลูกหาที่กำลังพลูก็มาทางด้านนั้นอีสามคนก็ทิ้งกายนอนราบกับพื้น พระคุ้นเคยกับันสั่งและชินประเหตุการณ์ดีแล้วสวนคิดเชิดบุตรและสไตลีอยู่เยื่องคนละมุมลดกายหัวลงนั่งย่อกับพุ่นจันยิ่งบุญคำตะกรสุดเสียงของแกขณะที่ทุกตัวเองก็พังอ่ะหลังทุกคนมอบลงจันร้องฟังไม่เป็นภาษาสั่งการออกไปคริสกเบนอยู่ในแนวทิศทางปืนพอดี จนวูบขบังหลังปลวกเตี้ยเตี้ยพวกลูกหาที่กำลังพลูเข้ามาทางบ้านนั้นอีกสามคนก็ทิ้งกายนอนราบกับพื้นเพราะคุ้นเคยกับันสั่งและชินกับเหตุการณ์ดีแล้วสวนคิดเชิดบุตรและสตาลีอยู่เยื้องคนละมุมลดกายหัวลงนั่งย่อกับจันกัดกรามแนนกระทับปืนไปที่ศีรษะนั้นแล้วตอกตั้งออกไปชนิดที่ห่างไม่เกินสีว่วา ศีรษะนรกนะั้ผ่าแหล่งออกเป็นสองซี่อีกครั้งคล้ายถูกขวานจามร่างกายที่กำลังคลานอาะวาดอยู่ด้วยอาการดุร้ายระคนไปได้วยความหน้าขนลุกขนพองเพราะสภาพอันผิดวิกลชนิดที่เรียกกันว่าสําแดงกายหลอกหลอนกันซึ่งซึ่งหน้าัางภาพลงแนบดินทันทีเหมือนตุ๊กตาที่หมดลานลงอย่างกระทันหันจากกระสุนล้างอาถัน ที่บุญคำทำําแจกพักพวกไว้เมื่อก่อนนอนประสุนเหล่านี้ก็มีอยู่แต่เพียงเฉพาะพวกของแกสี่คนเชิดบุตรอีกหนึ่งกระบอกและเ1็มที่แกถือไว้โดยมีแมกกาซีนชนิด30นัดอีกหนึ่งกระบอกเท่านั้นอย่างสติสตังที่ยังควบคุมกันไม่ดีนักจากเหตุการณ์อันน่าสยดสยองที่จูจูก็ปรากฏว่าร่างอันชารุดไปแล้วของไอ้ผีดิบสองตัว ติดตามมาอย่างไรไม่ปรากฏแต่ก็โผล่ขึ้นมากลางแคมป์ไล่งับคนที่อยู่ในแคมป์เป็นพลาวันกว่าจะถูกสะกดด้วยลูกปืนให้แน่นิ่งย่อยยับไปได้ก็ทำเมาปางพักแทบถลม่มทุกคนหน้าขาวซีตกใจขีดสุดแล้วโวยวายกันสนันไปหมดปืนอีกหลายกระบอกจ้องตรงเข้ามาชนนที่จะช่วยกันยิงซ้าไปอย่างทั้งสองร่าง ที่กองอยู่ห่างกันเท่านั้นแต่จันและบุญคํรร้องบอกระล่ำละลักเฮ้ยอย่ายิงไม่ต้องยิงอีกแล้วมันหมดรีบแน่ประเดี๋ยวก็ถูกกันเองชิบหายว่าไอ้โอ่งนกเกิดก็ะเซยวิ่งปลาดก็มาถึงกลุ่มนายจ้างซึ่งบัดนี้เพิ่งจะออกมายืนรวมตัวกันตัวแข็งไปหมดบอกว่าพวกนายห้างไม่ต้องกลัวเรามันอยู่ลว และทั้งสองก็ช่วยกันลากซากที่ขาดครึ่งทอดกับซากที่จันยิงนอนแน่นิ่งไปนั้นเข้ามารวมไว้ด้วยกันกลุ่มอเมริกันทั้งหมดและลูกหาปก็พลูกันเข้ามารายล้อมเสียงอุทานสะบทดกันขุ่มถมเถศแซดไปหมดจนฟังไม่ได้สักทุกคนพูดกันเร็วปิดขณะที่จ้องมองไปยังซากอันหน่าสยองกล้าวนั้นซึ่งบัดนี้ถูกกระสุนอาคมของบุญคา ได้ยิงด้วยฝีมือของเชิดวุฒกัจจันหมดสิน้นฤทธิเดชกองอยู่เคียงคู่กันอะไรกันนี่นี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงไอสองตัวที่เราพบมาตอนบ่ายแน่ๆนะเนี่ยสไตล์ลีสำลักอาการเขาเหมือนจะเป็นลงแน่นอนทุกคนจำลักษณะรูปร่างและความพิการของซากได้โดยเฉพาะพวกที่ไปกระพินเมื่อตอนบ่ายนี้ ฉันตื่นขึ้นมาพอดีกับไอตัวนี้มันเลิกผ า, ากระโจมและจับข้อเท้าฉันไว้ก่อนที่จะก้มงลงกัดปลายเท้าคริสติน่ารัวลินแทบฟังไม่รู้เรื่องไกรลอนซันเทิร์มเหมือนผีเข้ามันมันจะมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เข้าทางด้านปลายเท้าของพวกเราพระเจ้าไม่เคยพบเห็นอะไรที่มันน่ากลัวอย่างนี้มาก่อนเลยตัวมันขาดครึ่งท่อนไปแล้วแต่มันยังคามนมาเรื่องงานเราจนถึงที่นี่ได้ ไอ้ตัวนั้นแหละมันเป็นตัวที่ระพินยิงสะบ้าหัวเขาแหลกไปเหมือนกันคิดทีบอกเสียงโวยวายดังับป่ารอบด้างอิสเบนนั้นพูดอะไรไม่ออกได้แต่ยืนตะลึงหน้าไม่ผิดอะไรกระสบบุญคำคำรามลั่นบริกรรมอะไรพึมพำในลำคอแล้วโดดเข้าไปกระทืบร่างทั้งสองซึ่งเห็นชัดแล้วว่าจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อีกแล้วอย่างเด็ดขาด พระศีรษ์ขาดหายไปด้วยอำนาจของลูกปืนอาคมชนิดที่วิญญาณไรใดๆก็ตามต่อให้มีอิทธิฤทธิ์สักปานใดก็จะหวนมา ส, มสิงสู่ไม่ได้นี่พวกเราหลับยามกันได้ยังไงเนี่ยเชิดวุฒิรองขึ้นไม่ได้ลาบในทหารจากับพี่คำและพวกลูกหาดสามคนก็อยู่เวนผาดนี้ไอ ต, ตัวที่มันย่องกันไปกัดแแมะ ไม่รู้มันเข้ามาทางไหนมันเข้ามาเงียบเหลือเกินส่วนไอ้ตันี้มันลอยมาจากในป่าเหมันถูกอะไรจับคว่างมันยังงนั้นแหละก็ตกลงกลางที่พักพอดีเห็นเห็กันอยู่อ่ะจันพูดเสียงอ่อนพอฉันยิงมันถึงสองนัดนะถูกบริเวณหัวอย่างจังแต่ก็หยุดมันไม่ได้อาจารย์ก็ยิงหน้ามันแหวงหายไปทั้งส่มันยังคลานได้อยู่อีกดูเหมือนคอจะขาดประเด็นไป เพราะกระสุนเชิดบุษนะคริสติน่าพูดโดยาการสำลักไอตัวนั้นก็เหมือนกันตอนที่มันคลาน ง, งับซ้ายงับขวาอยู่ฉันก็ยิงถูกมันอย่างจังนะ่ะแต่ไม่เห็นมันสะดุ้งสะเทือนแต่พอโดนปืนของจันกระโหลกขาแหล่งมันสองซี่นิ่งไปเลยคิดเอะอะโวยวายขึ้นมาบ้างชี้ไปยังอีกตัวนะ่ะเชิดบุษเริ่มอุ่นใจขึ้นมาทันที กอดไรเฟิลของตัวเองไว้แน่นหันไปมองดูหน้าบุญคำอย่างมั่นใจแต่ผรานเท่าไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นแล่นกลับไปยังที่นอนของแกคว้าได้เอ็มสิกระบอกสำรองที่แกเอากระสุนมาคลุกของอาถันทำพิธีไว้ก่อนแล้วยักเยียดส่งให้คริสตินา่าบอกเร็วหรือว่าอาแมมแมมเน่ใช้ปืนกระบอกนี้เอาปืนที่แมมถือเก็บซะก่อนเถอะจะยิงไกไอผีดิบพวกนี้ ต้องเอาปืนที่บุญคำเข้าพิธีซะก่อนไม่งั้นยิงมันไม่ยูหรอกเฉยคำเอาปืนกระบอกนี้ไปถ้ามันโผล่เรียงหน้ากันเข้ามาอีกบังไหนก็ปังนั้นไม่มีการลุกขึ้นมาอีกแล้วตลอดไปคริสตินารับเอ็มสกระบอกสำรองที่มอบให้บุญคำเก็บรักษาไว้นั้นมาถือไว้อย่างงุนงงไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ก็ปฏิบัติตามที่แกบอก พับฐานกระบอกที่ถืออยู่ในมือสะพายไหล่ไว้หันมาตรวจสอบแมกกาซีนและสวิตช์บังคับการยิงของกระบอกที่เพิ่งถูกส่งมาให้แล้วถือประจำมือทันทีพร้อมแมกอะไรบรรจุ ก, กระสรินกระสุนเต็มเนกไว้ที่ซอกฐานกางเกงสตนลีเหลียวไปรอบๆ อ, อย่างรวดเร็วแล้วถามดังๆว่านี่ใครเห็นมั้งปรยายอยู่ที่ไหน ทุกคนดูเหมือนจะเพิ่มคิดถึงรพินได้เพราะถ้ากลางการโกโลหนที่เกิดขึ้นกลางแคมไม่มีใครเห็นวี่แววของจอมพลานเลยนายออกไปนอนดักปาาทางด่านอยู่ตรงโ น, น้นตั้งแต่หัวคำ่ำบุญคัาชี้มือบอกบานนี้ก็ยังไม่เห็นพโพลูไม่เห็นเลยทุกคนมองหน้ากันโดยเฉพาะเชิดวุฒิและฝ่ายนายจ้างอเมริกันรพิน เชิดวุตะโกนลั่นไปทั้งบริเวณเงียบกริบไนเห็นเขานอนอยู่ตรงไหนไหนพาไปสิกลุ่มอเมริกันทุกคนพูดขึ้นเกือบเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดทุกคนไหวตัวบุญคํากัจจันท์เองก็อยู่ในภาวะสงสัยเต็มทีเช่นกันตามปกติหากไม่เกิดอะไรขึ้นการที่ระพินจะเงียบเชียยอยู่เช่นนี้ ก็เป็นเรื่องธรรมดาของครับแต่นี่เสียงปืนออกจะดังสนั่นวันไหวไปทั้งที่ตั้งแคมป์พร้อมกับเสียงเอะโวยวายโกลาหลอื้ออแม้กระทั่งพวกกระเหี่ยงตะเคียนทองที่อพยพขึ้นไปอยู่ตามพโพรงถ้ำบนหน้าผาด้านหลังที่ตั้งแคมป์ก็ยังรู้สึกตัวจุดใต้กันสว่างวอมแวมพร้อมทั้งกูตะโกนให้เสียงโวกเวกลงมาทำน้องจะถามว่าได้เกิดอะไรขึ้นก้างล่าง ก็แล้วตัวเราพินไปอยู่เสีที่ไหนบุญคําเดินนำหน้าลิวไปทันทีทุกคนตามกระชั้นชิดต่แล้วขณาดนั่นเองก่อนที่กลุ่มนั้นจะพ้นแนวกองไฟกองสุดท้ายออกไปนั่นเองพวกลูกหากที่ประจํากันอยู่ทางด้านป่าฝั่งขวามือก็ส่งเสียงโวยวายลั่นพร้อมกับเสียงระเบิดตูมของกระสุนลูกซองชนิดลูกโดดครั้งแรกครั้งแรกก็ตูมเดียวก่อน วินาทีต่อมาก็มีเสียงตูมตนับไม่ถ้วนรั่วเป็นจังหวะทั้งหมดสะดุ้งสุดโต้ยอีกครั้งหันขวับพวกนั้นกําลังวิ่งวุ่นเหมือนมดแตกรังใครคนนึ่งหายปาขึ้นสุดเสียงดูเหมือนจะเป็นนายตากหัวหน้าลูกแผลนั่นเองแต่ฟังไม่รู้เรื่องว่าร้องบอกความว่ายังไงไฟใช้ทุกดวงของฝ่ายนายจ้าและพวกพรานพื้นเมืองที่กําลังส่งไปทางด้านที่ระพินหลบไปนอนดักปากทางไว้ ก็ฉายกราดแยกกันออกไปทั่วทิศในราวป่าทึกที่ล้อมรอบปางพักอยู่เป็นรูปครึ่งวงกลมภาพที่ไฟฉายแต่ละดวงสาดออกไปกระทบทําให้ทุกหัวใจแทบจะหล่นไปอยู่ที่ส้นเทา้ามือตีนอ่อนไปหมด ท, ทั้งทั้งที่มีการเตรียมกายเตรียมใจไว้ล่วงหน้าแล้วหนะโมโพธิสัตวโต๊ะหนะโมโพธิสัต์โต เชิดวุตขยับกริมฝีปากหมุบดิบส่วนระลึกถึงพระพุทธประคุณและพระเครื่องรางออกมาอย่างลืมตัวในขณะที่เอามือข้างหนึ่งตะปบหลงบวงอทวดที่แขวนไปคอขยุ้มแน่นหน้าที่วิกฤต่สังหรกันอยู่ตลอดทั้งคืนได้ปรากฏเงาแห่งความเป็นจริงของมันขึ้นมาแล้วนักบัตรนี้ทุกคนอยากจะคิดว่านั่นคือการตาฝาด แต่คนเราจะตาฝาดไปพร้อมกันหมดย่อมไม่ได้ป่ารอบด้านในรัศมีวงกลมเบื้องหน้าถูกล้อมไว้หมดแล้วด้วยกองทัพคตชาสามยืนตีวงเรียงเบียดกันราวกับช้างศึกในขณะที่เคลื่อนเข้ามาหมายประจันบาลต่อเป้าหมายซึ่งอยู่ตรงใจกลางแต่ละตัวขนาดเท่าภูเขาเราการาวกับจะคัดกันมาโดยตรง ไม่มีตัวไหนย่อมเยาวไปกว่ากันเลยปริมาณไม่อาจคะแนนับได้พระมองไปทางไหนก็ทำมืนทืนแน่นขนัดไปหมดแถวที่เรียงร้องไว้เบื้องหน้าก็เห็นมืดเต็มแล้วส่วนแถวที่ยืนซ้อนหลังเตรียมจะประดังเป็นทัพหนุนเนื่องเข้ามายังมีอีกเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้ที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือการปรากฏตัวของพวกมันเงียบเชียบที่สุด ไม่มีอะไรกระโตกกระตากเลยแม้ป่าแวดล้อมรอบด้านจะเต็มไปด้วยพงไม้ถึกแสดงว่าเคลื่อนเข้ามาอย่างเจตนาจะให้เงียบกริบที่สุดภายใต้อำนาจวงการชี้แนะของอะไรสักอย่างซึ่งครองอิทธิพลอยู่เหนือพวกมันอย่างเฉียบขาดกระสุนลูกโดดของปืนลูกซองจากฝ่ายลูกหาบที่ระเบิดเปรืนทุกคนขึ้นนั่นเอง เป็นจุดเริ่มต้นของการโกลาหลนอย่างที่เรียกว่าตะลุมบอลตัวหนึ่งเห็นทันหนักว่าสุดหวบลงในทันทีและอีกสองตัวจากด้านคนละด้านพุ่งปรีเข้ามาอย่างรวดเร็วไม่มีเสียงร้องหรือเสียงโกลจน่าใดใดทั้งสิ้นนอกจากเสียงแผ่นปัตภีสะเทือนเลื่อนลั่นเพราะขนาดน้ำหนักตัวทั้ง19ชีวิตภายในแคมป์ อันประกอบด้วยพวกลูกครับพรานพื้นเมืองและฝ่ายนายจ้างทั้งห้าคนตกอยู่ในภาวะอันสุดที่จะบรรยายได้พยามนั้นดูเหมือนกับว่าตัวใครตัวมันยิงดอยอิสระยิงไอตัวที่พุ่งกันมาใกล้ที่สุดนั่นเป็นเสียงตะโกนสุดเสียงของหัวหน้าคณะซึ่งบอกชัดได้ทันทีว่า เขาผ่านกันเป็นทหารมาแล้วอย่างแน่นอน